อยู่ในความสงบลูกหลานวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามเมษายนพุทธศักราชสอง8ห้าห้าสบปดวันนี้พระทั้งหมดห้าสิบสามรูปสัมเนนหนึ่งรูปนาคสองงดฉันหกอีกไม่กี่วันวันที่ยี่สิบสี่วันพรุ่งนี้ หลวงพ่อให้พระในวัดของเราออกไปฉันข้างนอกออกไปฉันศาลาใหญ่เพราะว่าศาลาเราจะได้เตรียมเตรียมพร้อมอลูกหลานของใครเอาออกไปนะ อ, ออกไปไกลๆมันใหญ่ก่กอนเราขึ้นมาเจาเข้ามาฟังในชงนี้มันไม่พร้อมที่จะมาฟังมันรบกวนหมู่ออกไปก่อน นู่นเอาไปไว้ข้างล่างเป็นหมูเล็งอยู่นู่นนะ่ะไปดูลิงอยู่นู่นนะ่ะยังคอยเข้ามาทีหลัง <c oughs> แล้วก็วันที่ยี่สิบสี่วันพรุ่งนี้หลวงพ่อให้พระออกพวกเราออกไปฉันข้างนอกพอความเตรียมพร้อมวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกตอนเย็นก็เป็นวันเริ่มงานของพวกเราจะมีการไหว้พระสวดมนต์ วันที่26วันที่27เชา้าก็เป็นการทำบุญตักบาตรก็เป็นอันเสร็จพิธีวันนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านพระเนนเราก็เคยผ่านงานผ่านการมาแล้วนะอันไหนกวดจะออกไปข้างนอกเตรียมให้พร้อมน้ำพอไหมพอดื่มไหมพอกินไหมขาดเหลืออะไรก็ให้พวกเรา ดูช่วยๆกันดูพอเราหาได้หาสิ่งของเข้ามาได้แ ล, ล้วใครตรวจตราดูความพร้อมเรื่องไฟเรื่องน้ำเรื่องไฟก็กลางคืนเรื่องไฟคนเป็นมูส่วนมากคนหมู่มากถ้าว่าไฟดับเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวถ้าคนเดียวไม่เป็นไรมันจะดับทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีก็ไม่เป็นไร เราไม่เดือดร้อนพระอาทิตย์ขึ้นมากลางวันอยู่แล้วเราอยู่คนเดียวแต่อยู่หลายคนไม่ได้มันเป็นพิษภัยอีกต่างหากถ้าไฟดับกลางคืนไม่รั่วมิจฉาชีพจะเกิดขึ้นมาได้ทุกขณะและก็คนที่มาก็มีหลายระดับที่มาสู่วัดวาศาสนามาสู่วัดของเราเพรา ะ, ะนั้นพวกเราเป็นเจ้าของบ้านต้องรับรองชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่มาเกี่ยวข้อง เพราะนั้นอย่ามองข้ามอย่าไปมองแบบธรรมดา เ, เราต้องให้ความสําคัญในแขกผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับพวกเราพวกเราเป็นเจ้าของบ้านต้องรับรองความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินเสียงเรานี้ให้พวกเราตระหนักไว้ในใจของพวกเราทุกคนที่เป็นเจ้าของบ้านตั้งแต่หลวงพ่อเป็นต้นไปกับพวกท่านทั้งหลายที่ อยู่ด้วยกันให้ช่วยช่วยกันคิดแขกคนพี่น้องลูกหลานไปยังไงมายังไงใครเก็บใครได้ปัวยยังไงมาสู่วัดของเราเราต้องดูทังโรงพยาบาลทั้งอาณาไม่ก็ดูดูช่วยช่วยกันคิดเนะ่ยสรุปแล้วนะและก็วันนี้เป็นวันที่23วันที่27 ผลงานออกมาพวกเราจะรู้ว่าผลงานออกมาดีหรือไม่ดีมันดีก็ผลงานดีก็แปลว่าเรียบร้อยพี่น้องประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องก็ไม่มีอะไรสำเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีแต่คนจะมามากหรือไม่มากอันนั้นวันสุดท้ายนั้นเป็นวันตัดสินแต่เราเราก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างที่หลวงพ่อพูดนั่นแหลมามากกว่าดี ได้พบได้เจอกันพี่น้องคณะสัตายาญาติโยมโลูกหลานพอ ว, วันดมาพบมาเจอกันปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งแต่มานน้อยเออก็ดีเพราะภาระทุระของคนไม่เหมือนกันเน่มาน้อยก็เราก็จัดน้อยก็ไม่ยุ่งเหยิงพู่นวายก็ดีดีทั้งหมดอย่างจุกุณดีเนาะดีเนาะหลวง คล้ายกับมีมากกว่าดีมีน้อยกว่าดีพวกเราเป็นเจ้าของของบ้านพร้อมที่จะต้อนรับขับสู้ได้ทุกคู่ทุกคนตลอดขึ้นครูบาอาจารย์พระสงฆ์น้องหนุ่งทั้งหลายเข้ามาพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหลา่าทุกระดับขั้นเข้ามาพวกเราเป็นเจ้าของบ้านก็ต้อนรับขับสู้ตามอัตภาพตามมันมีมันเกิด แต่ถ้าว่าผู้ที่มาไม่ได้รับการต้อนรับก็ต้องมองตนเองเหมือนกันเหมือนกับเราไปหาท่านเราไปหาท่า น, า ไ, ปาานไปมีแต่ว่าท่านต้อนรับกลับสู้ไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้แต่องค์ตัวเองไม่มองตัวเองที่อย่างหลวงพ่อพูดใครๆมาอยากจะกินแต่อาหารดีแต่พอตัวเองเอามา เอามาทําบุญทําฐานบังเพอเผยลืม อ, อีกต่างหากไม่เอามาอีกต่างหากเพอเผยได้ขนมเสียงให้มาเนะี่ยนู่นอยากจะไปกินพระกระโดดกําแพงฟ้าทะลายหูฉลามนุ่นนะจะได้กินได้อย่างไงเพราะตัวเองก็ไม่ไดเอามาใช่ไหมละ่ะนี่แหละถ้าเอามามากๆตัวสิหลวงพ่อจะไม่แจกให้ดูเอาให้อิ่มน้ําสํำลานไปเลยเพะนะื่อน่ะสิ่งเหล่านี้นะ่ะวัด สวรรค์ไ ก, กลไกลหลวงพ่อบอกว่กาสวรรค์ไกลไกนะวัดนะถ้าเราทำบุญอันไหนได้พวกเราได้รับอ น, นั้น์ถ้าเราไม่ได้ทำบุญไว้จะได้รับจะได้รับอย่างไงจะได้อย่างไงพราะเราไม่ได้ทำไว้เพราะนั้นเราต้องทำไว้สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้แต่เมื่อเราเราสร้างบุญสร้างกุศลแล้วนะบุญกุศลนั้นแะจะเกือ้อกูลหนุนเราเราปรารถนาสิ่งใด เราก็จะได้รับสงความมุ่งมั่นปราถนาอย่างพระศรีวุีิพระศรีวลีท่านสร้างอย่างไรท่านสร้างบารมีท่านก็เป็นชาวบ้านนอกธรรมดาชาวบ้านนอกจะเข้าไปในเมืองควเดินเราเดียเดินไปเนี่ยจะเดินไปอุดรเราอยู่บ้านนอกสมัยนะั้นมันไม่มีรถยนต์อย่างนี้ใช่ไหมพอเดินไปไปเห็นพึ่ง ไปเห็นเพื่องก็เลยเห็นมันอยู่ข้องจะอยู่ต่ำๆมัดพึ่งหลังใหญ่ก็เลยไปตัดเอาน้ํามันเอาน้ําน้ําพึ่งพอใส่น้ํำพึ่งแล้วหาอะไรห่อไม่ได้ห่อใบบอลไงใบบอนมาอยู่ในน้ํานะใบบัวห่อใบบัวเอาใบบัวมาแล้วก็หอ่อพอห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มัดจุกแล้วก็ คงจะเป็นลังใหญ่พอสมควรอยู่มั้งพอมัดอยู่แล้วก็เดินทางมาเดินจะเข้าเมืองอุดรแต่สมัยนั้นพระพุทธเจ้าปฐมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งหนึ่งปีหนึ่งพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะมีการทําบุญแข่งกันการทําบุญแข่งกันไม่ได้บ่นหรอกอย่าไปหาคิดนะการทําบุญแข่งกันเหมือนกับแหลงเราแข่งครั้ง แข่งเรียนหนังสืออย่างนั้นโอ๊ยคนแข่งเรียนหนังสือน่ยไม่ได้ดีหรอกอย่าไปหาคิดที่เขาเรียนเก่งเขาก็ต้องได้ดีการแข่งการหาเงินไม่ได้เงินหรอกอย่าไปหาคิดคนที่แข่งหาเงินนั่นแหะขมันขยันในการหาเงินเขาต้องได้เงินการทําบุญกูเหมือนกันการแข่งกันทําบุญนะการสร้างุประกอบคุณงามความดีแข่งกันนี่เขาก็ต้องได้คุณงามความดี ถ้าใครก็ตามท้าแข่งกันทําความชั่วก็ต้องทนแต่ความชั่วถ้าใครต้องการแข่งไปทําขี้เกียจขี้คล้านก็ได้ทุกแต่ยากนีอันนี้ใครๆบอกสมัยนะเขาแข่งกันเขาแข่งกันทําดีในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราก็มีที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังเกิดอาทิตย์สะทานเนี่ยจนพญาปัคเสณเอามือกายหน้าผากยอมแพ้ประชาชน นางมันลิกาอัครมเหสีบวกเฮ้ยพระองค์จะแพ้ได้ยังไงพระองค์เป็นกษัตริย์เนี่ยต้องเอาชนะเอา้าจะเอาชนะเขาได้ยังไงในการทําทานอา้าพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมีช้างตั้งเยอะแยะพี่น้องประชาชนเขาไม่มีช้างพระองค์มีช้างเอาช้างมากัน้นกั้นฉัดเดือกั้นล่ม ถ, ถวายพระสงฆ์เล ย, เยพระสงฆ์ห้าร้อยเนี่ย พระเจ้าพระเจ้าปฏิเสธที่กโกโลนก็โอ้ใช่ทีนี้เราก็จัดบรรลังอาสนะเรียงกันเป็นเลขแถวช้างก็กั้นล้มห้าร้อยยังขาดอยู่ร่มคันหนึ่งคือพระองค์คลิมานนั่งองค์สุดท้ายทีนี้องค์สุดท้ายหาลมไม่ไหาหาช้างไม่ได้มันมีช้างอยู่499ตัว ยังรวยตัวที่ห้าร้อก็เป็นองค์คริมานพอดีองค์องค์คริมานเป็นนั่งรังสุดท้ายที่บวชใหม่แต่นี้ก็เขาก็บอกมียุ้ช้างแต่มันช้างดุนะัดตัวเนี่ยเออแต่ช้างสงครามคล้ายๆว่าช้างสงครามเนี่ยเวลามันจะให้ไปอารวาทหมูนะคือช้างมีกําลังช้างแข็งแรงเขาจะเอาเหล้าให้มันกินให้มันเต็มที่แล้วก็ะป๋อยเลย พอปล่อยไ่เห็นช้างอริศตูทที่ไหนมันจะเหยียบไปเลยวังั้นช้างตัวนี้เป็นช้างเจ้าว่าช้างเกเลกว่ใช่ช้างนักเลงก็ใช่เขาเลี้ยงไว้เหมือนกันนะแต่ที่เขาก็ขังไว้เมื่อคราจําเป็นเขาจึงจะออกมาใช้ทําให้จําเป็นเขาก็ขังไว้อย่างงั้นอะ่ะอันนี้ว่าช้างช้างนักเลงเห็นช้างปราบปราบศัตรูแต่ที่เขาก็ มีช้างตัวนั้นและ อ, อย่างอย่างอยู่ในในในในแเน็ตที่เราขังไว้ทางนี้ก็ไม่มี่ยังเหลือองค์เดียวมันก็มันขาดใช่ไหมอะไรวนี้เอาเสี่ยงปะพวกเราต้องดูดูกันนะ เ, เสนาอับมาตราชเว่วเกผู้ใหญ่ทั้งหลายท น, นเอาช้างต น, นมาพอช้างต น, นมาก็ยากเดินมาดุยดุยเาขาบอให้มอบช้างตัวนั้นมอบ พอบอกพระคนก็จับตาดูช้างตัวนั้นแะมันจะอรารวาสยังไงกาหล่มให้พระองคุริมานเนี่ยโอ้โหดูแล้วคนจับตาจ้องมองช้างตัวนั้นเลยช้างตัวนั้นทำโ อ, อ่อนซ้อยดีมากดีกว่าช้างตัวอื่นอื่นอีกเพราะงั้ น, น, น <c oughs> เถอะพอในพระองคุริมานก็นั่งชั้นเชยนั่งฉันที่ในรม่มที่อาสนะที่เขากัน้นที่ปูไว้แล้วนะ ช้างตอนนั้นก็กั้นลมอยู่ข้างหลังไงกั้นแดดอพอฉันเสร็จแล้วก็ได้ช้างเขาก็เลยช้างเข้าไปเขาก็ถามพระองค์คริมานท่านองคุริมานน่ยท่านกลัวไหมนี่ช้างตอนนั้นเป็นช้างอารวาสนะช้างนักเลงนะพระองค์ุริมานโอ้ยความกล้าผมก็ไม่มีความกลัวผมก็ไม่มีแต่หละ พระสงฆ์ทั้งหลายไปกราบทูลพระเทวทสาวาว่าเนี่องค์ุริมานอวดอุตริมนุสธรรมพระองค์บอกว่าไม่ใช่องค์ุริมานได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านไม่กลัวไม่กล้านี่แหละคนทั้งหลายคนนี้ยอมรับองคุริมานเป็นพระอรหันต์นี่แหละคืออธิษฐานครั้งหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งแต่นี้สมัยจะกล่าวถึงพระศีวลีเนี่ย พ, พ, พระเทพพุทธเจ้ามุตระก็ประ ก, กาศอีกเหมือนกัน อ้าวมีการทำบุญแข่งกันประชาชนกับพระเจ้าแผ่นดินถึงทางรัฐทางราชการกับประชาชนทำบุญแข่งกันพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะมีครั้งหนึ่งแต่นี้ประชาชนก็กรวมตัวอ้าวทำบุญนะพี่พวกเราทำบุญวันนี้พอวันพุ่งนี้ก็อ้าวพระราชาทำบุญเตรียมสเสวกทหารขราชการทุกหมู่ทุกเหล่านึ่งที่เป็น คนของพระเจ้าแผ่นดินที่กินเงินเดือนมากระทาบุญทําบุญให้เหนือกว่าเมื่วานนี่ว่างั้นแหละประชาชนก็ทำเมื่อวานขนาดไหนวันนี้เอาทําให้เหนือกว่าพอวันลุ่งเคลื่อนเอกอ้าวประชาชนบอกว่า น, นี่นะพวกเราทําบุญอกีกนะวันเนี้เราจะต้องเอาให้เหนือกว่าพระราชาทีนี้ก็คนทั้งหลายกัน ทำบุญเลยฝ่ายพระราชาก็มาสังเกตมานั่งดูนะพวกสันติบาลทั้งหลายแหละมานั่งดูเขาขนาดไหนเขาทำบุญพอวันพุธกับประกาศเอกเอา้าทั้งฝ่ายพระราชาทำบุญนะเมื่อวานฝ่ายพี่น้องประชาชนทำบุญกับพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพร้อมพระหรหัสตสาคตพระเป็นแสนนะแค่ว่าแข่งกันไปแข่งกันมา ผลที่สูดบอกว่าคราวนี้แหละเราจะเอาให้ครบทุกอย่างให้พี่น้องประชาชนนะเราจะเอาให้ครบทุกอย่างก็ว่าไม่มีอย่าได้มีในเรื่อง ไ, ไทยธรรมของเราเนะี่ยนี่เขาก็ทำบุญกันแหละมีครบทุกอย่างตรวจปาตราไปตรวจตรามาขาดน้ําพึ่งทีนี่เออขาดน้ําพึ่งน้ําพึ่งไม่มีมีไหมน้ําพึ่งที่ของไทยทานของเราไม่มี ที่จะถวายพระพุทธเจ้าแต่ที่เอา้าไปออกหาเดี๋ยวดวิคนมันเยอะใช่ไหมพอ ป, ประกาศนะก็ต่างคนก็ต่างวิ่งไปคนละทิศทางกันเพื่อไปหาน้ําพึ่งอพอไปก็ต่างคนก็ต่างคอยทางถนนที่มาจากชนบทมาจากบ้านนอก เ, อเข้ามาในเมืองตเตรียมพร้อม่อยตัวตรวจแล้วเห็นไอ้ชายคนหนึ่งห่เอเอาใบ ใบบัวห่อน้ำผึ้งมาเห็นมัดจุกมาบักใหญ่ฮพอมาอ๋อน้ำผึ้งอะไรอยู่เ น, นน่ย น, น้ำผึ้งครับเอา้าตรงการพอดีขายไหมขายครับอขายครับเท่าไหร่จะให้เท่าไหร่ทั้งที่น้ำผึ้งมันเพียงหนึ่งกหาปณะใช่ไหมเอา้าสิบกหาปณะผมว่าโอ้ไอ้นี่จะเห็นกําไรนะคนคนคนไม่ใช่คนยุคสมัยนั้นสมัยนี้มันเหมือนกันได้ มันเกิดความโลภเข้ามาเลยเด้ในทั้งที่มันหนึ่งกระหาปะหนาะเขาให้10กระหาปณะร้อยไม่ขายเอา้าร้อยร้อยไม่ขายเอา้าพันไม่ขายเอา้าหมืน่นไม่ขายเพราะตามจริงเพียงราคาเพียงแค่นั้นใช่ไมเออเพราะนี่อันนี้ก็เสนอขึ้นไปเรื่อยๆเพราะต้องการเนี่ยอยากจะได้เนี่ย เ, เรื่องเงินไม่มีปัญห า, เ, าเรื่องเงินของเล็กน้อย แต่บ้านนอกเนี่เรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่ฮะท่านี้ก็ขึ้นไปเรยไอ้บ้านนอกเขาบอกอ้าวน้ําพึ่งนี่ยขนาดนี้เนี่พวกเราก็เคยซื้อกันน่ยมันไม่ถึงเท่านี้หรอกราคามันแต่ทําไมคุณให้เสนอขึ้นมามากถึงขนาดนี้คนนั้นก็บอกว่าโอเดี๋ยวนี้เขากําลังทำทำบุญแข่ง ก, กันกับพระเจ้าแผ่นดินอาทิตย์เรียกว่าอาทิตย์สตาล์ ทำบุญอาที่จะทานพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนะพวกเราจะทําบุญแข่งกันนะแต่ยังขาดแต่น้ําพึ่งอย่างเดียวเพราะนั้นจึงเสนอน้ําพึ่งจากท่านเนะี่ยท่านจะขายเท่าไหร่บอกมาโอ้ยทางงานปะปะไ ป, ไ ป, ไ, ปไปด้วยกันนะเราไม่ขายเราจะไปทําบุญอนอะจากนั้นก็พอไปถึงชายคนนัล้างมือให้สะอาดเสร็จแล้วก็หาภาชนะเขาหาภาชนะมาให้กันมัน บีบน้ำผึ้งกับกรองอย่างดีพอกรองอย่างดีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ถาดเขาไปถวายพระพุทธเจ้าปทุมุตระในช่วงนั้นพระพุทธเจ้าปทุมุตระท่านก็นั่งเป็นประธานพระพุทธองค์เป็นนั่ง ป, ประธานสงท่านบอกว่านี่ภิกษุทั้งหลายลูกสิทธิ์ของเราตถาคตเนี่ยองค์นี้นะ่ะ เ, เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย เป็นผู้มีอติเลกกราบมากในศาสนาของเราตถาคตเป็นผู้มีอติเลกกราบมากกว่าภิกษุทั้งหลายในศาสนาของเราตอนี้ศรีวลีที่เป็นชายบ้านนอกเห็นโอ้เราก็ควรจะปาถนาโอ้แบบองค์นี้ละ ว, วะเกิดพบเห ม, เมื่อได้เราได้บรรลุได้สําเร็จเป็นพระหันเนี่ยยังไงก็ขอให้เรารวยวะ เรื่องว่ารวยไปตลอดจนถึงได้สําเร็จเป็นพระพระหันอ่านนี่ชายคนนั้นเ ข, เขาเขาเห็นพระพุทธเจ้าประ ก, กาศท่านพระพุทธองค์ก็คงจะเห็นแล้วว่าชายผู้นี้ชายบ้านนอกผู้นี้เขาก็คงจะปรารถนาเป็นพระศิวเป็นพระองค์หนึ่งที่ได้มีอัติเรศ ร, ราบมากในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคต ตอ้พอถวายน้ำพึ่งเท่านั้นนะกับพระพุทธเจ้าปทุมมุตระก็ตั้งความปรารถนาสาธุเนอข้าพระองค์ได้ถวายน้ำพึ่งกับพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงความปรารถนาข้าพรเจ้ า, า, าไม่ได้ต้องปราความปรารถนาอย่างอื่นข้าพรเจ้าในชาติจุดท้ายขอให้ข้าพรเจ้ามีอเตเทเลกาลาบมากในพระสงฆ์ทั้งหลายและก็ ในขณะที่บำเพ็ญไปอยู่นี่ก็ขอใหอ้มีแต่ความสุขราบรื่นแล้วก็ให้ร่ำรวยไปโดยตลอดสม่าเสมอจนชาติจุดท้ายให้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายอย่างที่ข้าพระองค์ได้ยินได้ฟังพระพุทธองค์ประ ก, กาศว่าภิกษุที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่มีอติเลกรลาบมากในศาสนาของพุทธองค์พระพุทธเจ้าพรทมุตระท่านกับพระพุทธองค์มองดู อนาคตอนาคตวิญญาณดวงนี่นะ่ะจะไปถึงไหนท่านก็มองดูเหมือนกับเราเอาเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์มาคิดนะ่ะพระปารธนาอันนี้สงฆ์อันนี้นะ่ะไปถึงไหนเอพราะรองกคอกดลูกคิดเร็วงั้นเถอะกดกดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะ่ะกดตับตับต๊บตับต๊บตบตบไปท่านก็บอกวันนี้เธอนี่ยนะ ในศาสนาของพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระโคตธรมพระโค ร, ม พ, โครมพุทธเจ้าเธอจะได้ตั้งเธอจะได้เกิดและมีชื่อว่าสีวลีในศาสนาของพระุทธเจ้าพุทโคมะรรมพระพุทธเจ้าโคตธรรมอัครสาวกชื่อสาลีบุตรอัครสาวกข้างซ้ายสืบพระโมกขลาพระอุปทากื็คือพระานนท์ พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าไล่ให้ฟังหมดเลยวันในศาสนาต่อไปที่ท่านจะได้เกิดเนะี่ยในศาสนาจากนั้นท่านจะได้สําเร็จได้บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าจะได้สําเร็จเป็นพระรหันนะนี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาของพระศิวลีท่านมีที่มาที่ไปแต่ท่านก็มีกรรมนะพระศิวะลีอยู่มีกรรมอีกเหมือนกันกรรมพระศิวลีก็น่ากลัวอีกเหมือนกันไม่ใช่แต่ดีอย่างเดียวนะ คล้ายๆอย่างที่อย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าบาปกับบุญเหมือนกับมะพร้าวสองหน่อเกิดขึ้นมาด้วยกันหน่อไหนจะสั้นหน่อไหนจะยาวนะถ้าว่านหน่อไหนทํากรรมในชาตินี้เราทํากรรมมากเกิดชาติหน้าเราก็ต้องได้ใช้กรรมแต่ว่าเกิดเราทํากรรมชั่วเราก็ได้ใช้กรรมชั่วนี่แหละกรรมตัวเนีเม้มันจาแนกให้พวกสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาในโลก จากนั้นพระศิวลีเกิดมาในชาตินี้แหละชาติจะได้เป็นพระศิวลีเนี่ยะไปอยู่ในท้องแม่นะแปลว่าเข้าไปอยู่ในท้องแม่พอเกิดมาอยู่ในท้องแม่เป็นลูกของเศรษฐีนะ อ, อยู่ได้เจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ็ดวันนะ อ, อยู่เจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ็ดวันอยู่ในท้องแม่ดูแล้วก็มีท้องที่นุ่มักดูดักอยู่นั่นนะ่ะ แต่แตงเกิดมาแต่ไม่ออกนะจะทำยังไงจะถ้าทุกวันนีมันคงจะไม่มีปัญหาอย่างที่พวกเรารู้กันนะอพอครบแลบ้วเขาคงจะพาออกนะอันนี้สมัยก่อนมันผ่าไม่ได้ผ่าก็ตายไนะก็อยู่ในท้องแม่อยู่เจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันอพอในี่สุดพอถึงกำหนดแล้วนะเนี่ยวันนั้นพระ พ, พุทธเจ้าแม่ของเขาตระกูลของเขาเศรษฐีนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมภาษาว ไปฉันที่บ้านของเขาเขาก็ออกมาพอออกมาเสร็จแล้วพระสิวลีเดินได้เลยนะเพรา ะ, ะเด็กเจ็ดปีใช่ไหมเดินได้เลยประเคนของได้อีกต่างหา ก, กานะนอ่ก็เป็นของแปลกเหมือนกะันแต่ทีนี้พระพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ถามว่าเป็นไงถามแม่นางแม่ของสิวลีอบอกว่าเป็นไงพอใจไหม แม่ศิวุลีบอกว่าโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าแต่ลูกคนเดียวเนี่ยเกิดเป็นจะลูกสักสิบคนก็พอใจเนีถ้าถ้าเป็น ล, ลักษณะอย่างนี้นะพูดนะเนี่ยยังใครเขาว่าเห็นลูกดีนะคนต้องการลูกดีนะ้ถ้าลูกเร็วๆเกิดมาเร็วๆ เ, เ, เนี่ยใครๆก็ไม่พึงปรารถนาทังนั้นแหะแต่นี่นลูกดีเนี่ยเกิดมาแล้วโอ้โหรู้จักก่อนน้อมท่อมตรนรู้จักประเค้นของพระพุทธเจ้าอือต่างหากเนีเกิดมาเจ็ดปีเจเดือนเจ็ดวัน ทีนี้พระสงฆ์ทั้งหลายก็เอสนทนากันพูดกันกล่าวขวัญกันพูดง่ายๆทําไมพระศิวะลีเป็นผู้มีบุญหนักศักใหญ่ขนาดนี้ทําไมจึงได้ใช้กรรมถึงขนาดนั้นอยู่ในท้องแม่ถึงเจปีเจ็ดเดือนเจวันมันกรรมอะไรมากมายนักหนาเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่ากรรมกรรมของศิวะลีสมัยหนึ่งพระเจ้าพระศิวลีเป็นพระเจ้าแผ่นดินพอเป็นพระเจ้าแผ่นดินจนแล้วก่อนเนี่ย มีหัวเมืองอีกหัวเมืองหนึ่งเป็นคู่เป็นคู่ต่อสู้กันจากนั้นก่อนพระศิวะเลเนี่ยก็ยบทัพไปไปยกทัพไปล้อมเมืองพอไปล้อมเมืองเขาจะปล่อยให้เขาออกทางท่อน้บาบังทางประตูเล็กๆบงังทางแม่อยู่ทางบ้านเลยถามดูเอ๊ะลูกของเราไปไหนละลูกลูกของเราไปไหนบอกว่าไปล้อมเมือง ไปล้อมวิธีการล้อมล้อมอย่างไรก็ล้อมให้ปล่อยให้เขาออกหาอยู่หากินมีแต่ล้อมเป็นส่วนใหญ่เอาไว้ไม่ให้เขาทํามาค้าขายแม่กเอ้ยล้อมอย่างนั้นได้ยังไงเขาจะไปยอมได้ยังไงต้องล้อมม่ให้มันออกสิเออพระศิุรีก็ปิดล้อมอย่างแรงเลยไงเออไม่ให้คนออกคนเข้าอะผลที่สุดเขาก็เลยคนในเมืองเขาจะยอมหรือจะสู้ก็บอกพระเจ้าเป็นดินตัวเองพระเจ้าเป็นดินก็เลยยอมแพ้ ยอมแพ้ออกมาแต่คนทั้งหลายเนี่ยตกทุกข์แต่ยากกดอยากฮนะเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันไม่ให้คนออกนอกเมือง น, นั่นแหะบาปกรรมของศิวลีเกิดมาพบนิชาตินี้ท่านก็เลยอยู่ในท้องแม่ของท่านเนะ่ยเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันจึงได้คลอดออกมาเนะนี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือการเป็นมาของพระศิวลีในพระไตรปิฎกนะั่น ให้พวกเราท่านทั้งหลายอ่านเถอะเช่นเทวเถระประวัตินี่ท่านพูดกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นเรื่องบาปเรื่องกรรมมันเป็นมันเป็นมาและเป็นไปไม่ใช่ว่าเราเกิดมาพบนี้ชาตินี้แล้วมันจะเป็นอย่างที่เราต้องการทีเดียวไม่ได้นะมันมีที่มาที่ไปของหมดทั้งหมดเพราะนั้นเราอยากจะได้อะไรเราต้องสร้างเอาท่นี่เราอยากจะดีแล้วเราอยากจะชั่ว เราอยากจะลวยแล้วเราอยากจะทุกข์จะจนอยากจะขี่ไลยขี่เล่แล้ว อ, อยากจะสวยงามมันเลือกสร้างได้ทางนั้น เ, เพราะนั้นให้พวกเราสร้างแต่คุณงามความดีนะสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจเพราะนั้น อ, อ, อย่างที่พวกหลุงพ่อได้พูดนะวันที่ยนะี่สิกยี่สบเจ็ดนี่เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลทั้งที่พวกเราทุกอยากลําบากตอนรับขับสู้คู่ขนทั้งหลายที่มาในงาน เราก็ต้องใจเย็นสู้เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราถ้าพวกเราไม่สร้างแล้วใครจะสร้างให้เราเพวัะนั้นการสร้างบุญมันก็ต้องยากหน่อยนะต้องอดต้องทนต้องประกอบคุณงามความดีแต่บางทีเขาทําสร้างความชั่วเข า, ยยากนนะ็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะไม่ใช่ย่อยเหมือนกันยากเหมือนกันนะบางทีนะ แต่ว่าถึงยังไงสร้างสร้างช่วงสร้างสร้างดีมันเป็นคนละทางกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะเจริญญ า, า, ย, ายมลูกหลานทุกคนนะให้ประกอบคุณงามความดีสร้างความดีความดีนั่นแหละจะพาพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญไปสู่ความสุขความร่ํารวยทุกสิ่งทุกอย่างตนตลอดถึงมรรคผลนิพพานตนตลอดถึงมรรคผลนิพพาน ก็ต้องคุณงามความดีนั่นแ่ะพาไปอันนี้สงทานไม่ใช่ธรรมดานะอย่างพระศิวลีเห็นไหมทานน้ำผึ้งถวายพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ในคราวนั้นครั้งนั้นได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าเลยในอนาคตต่อไปภายภาคหน้าเป็นกับทีเท่านั้นเป็นเท่านั้นหมื่นเท่านั้นแสนปีเลยท่านจะได้เกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าชื่อว่าโคตมะ นี่แนะพระพุทธเจ้าสรรพยากรณ์ไว้อย่างนั้นแต่พวกเราที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะได้รับพยากรณ์มาแล้วแต่กําลังทําบุญทําทานกําลังสั่งสมบัลลมีอยู่เหมือนกับว่ายน้ําแต่จะถึงแน่ๆน่ละถึงฝั่งขึ้นฝั่งแน่และ่ะแต่ยังเดี๋ยวนี้เรายังว่ายน้ําอยู่ตุ๊บปองตุ๊ปปองตุ๊บปอ ง, ต, ปองตุ๊บปองไปเรื่อยนะนะอั่นั้นแต่ความตั้งใจและความปรารถนาของเรานะ ขอให้เราพ้นทุกในวัฏฏะสงสารถึงแดนพระนิพพานจะได้มาเวียนไหวตายเกิดอันเป็นอนันตการอันนั้นคือความปรารถนาของพวกเราคะนั้นในพวกเราปรารถนาสูงๆไว้หนะดีนะอย่าไปปรารถนาต่ำปรารถนาให้สูงสุดไว้เผื่อเหนือตกไตเผื่อเหนือตกไตภาษาอีสานเขาว่าเผื่อเหนือตกใตไหลลงมาคาพ่อแม่ แช่ครับว่าเราเราจะเราจะข้ามข้ามไปเวียงจันทร์ใช่ไหมเออเราจะไปอยู่ที่ท่าเวียงจันทร์ไหวให้ตรงตร ง, ตรงมันไม่ได้แนละ้วมันโน้มไปตกท่าหนองคายไปนะเออแต่ถ้าว่าเราจะไปเวียงจันทร์เออเราไหวยน้ํำอยู่ยแถวท่าบ่อนี่าาอเออหรือสีเสียงใหม่ เ, เออคล้ายๆว่าว่ายลงไปน้ําก็จะสัดตรงไปทีละน้อยๆพอไปก็ไปถึงเวียงจันทร์พอดีฮะลักษณะอย่างนั้นอ่ะ คนโบราณเ้าจึงบอกว่าเผื่อเหนือตกตไตไหลลงมากขำพ่อแม่คล้ายๆกเผื่อเหนือเอาไวอันนี้ก็หมรงการให้พวกเราปรารถนาสูงเอาไว้ดีกว่าปรารถนาเอ้ยถึงยังไงขอปรารถนาให้เป็นมนุษย์ผู้ดีเถอะให้มีให้ลำให้รวยให้สวยให้งามให้มีความสุข แต่เออเอาเ่าไปเจ้าขอให้พ้นทุกในวัตตะสงสารถึงแดนพระนิพพานถ้าไม่ถึงแดนพระนิพพานก เ, าเรื่องความร่ำความรวยความสวยความงามมันอยู่ในอวยทั้งหมดเลยเพรพาะว่าเราปารถนาสูงส่งในการปารถนาสูงส่งนั้นเราก็ต้องประกอบคุณงามความดีด้วยนะไม่ใช่ว่าเราจะเป็นนอเราอยากจะรวยไม่ใช่เด้ไป น, นอนฝันเอาเลยมันยากอยู่เราต้องทา การทำงานด้วยหมายความมั่นความขยันมันยังจะรวยนี้ก็เหมือนกันการที่จะถึงมรรคผลผนิพพานเราก็ต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาประกอบคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลอัะไเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีนั่นแหละอันนั้นแหละคือสั่งสมบารมีสังสมบุญกุศลสําหรับพวกเราเอาวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสําหรับพวกเราคณะทาญาทโยมลูกหลาน ในแนวหนึ่งฮะอต่อนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพร